มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมีรูพรุนที่มันจะแสดงกิริยาการความอยากมันแทรกเข้ามาเไื่อะมากของความอยากแล้วก็เอาดอกเอาผลไปซ่องไปเสกอยู่ในใจของมันตาเป็นที่เกิดของตัญหาเมื่อตัญหาจะเกิดเกิดที่ตาตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ยินดี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 เรามันจับประเด็นจับจุดเล็กๆเป็นประกายแล้วทาใหเรารู้ที่ไปที่มาของตัณหาเอตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็จะเกิดอย่างนี Ep ้มันมันเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมั่อเมือเ่อเม่เมื่อเมื่อเมื่อเมันอเดับไปมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเมือเม่อเม่อเมา่อเมเมื่อเมื่าเมืไอเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเมืเมื่อเมื่อเม่เท่ารู้่เมื่อเม่อเมม่เ่ม่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 แฝงพราวในตัวเองมีความสุขมีความอิ่มเบิกมีความอบคุณนมีความหวังพึ่งหวังเป็นหวังตายมีความอัจฉรย์อยู่ในนั้นทั้งหมดแค่เราเอาสติมากากับไม่ให้จิตของเรามันว้าหุ่นไปกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องคลื่นเรื่องรดเรื่องสัมผัสให้มันมาอยู่กับคำที่เป็นทรรพุทโธพุทโธพุทโธเป็นวิตกเป็นวิจาร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 บริโภคไปบริโภคไปบริโภกไปมันก็อิ่มไม่ต้องใส่เข้าไปอีกแล้วไม่ต้องใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็ไม่หิวมันหายหิวทำไมยังหายหิวเพราะมันอีกมใจของเรามันอิ่มคำบริกรรมเหมือนกันพุโทโธพุโทโธพุทโธแต่และพุโทโธมันปลุกติตของเราให้ตื่นปลุกตัวจิตปลุกตัวเองให้ตื่นรห้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 สขณะจิตสองขณะจิตหนึ่งขณะจิตหรือไม่มันไม่มีพลังเผลอเป็นขนาดเลยแหละมันรู้ตลอดอย่านั้นมันไม่โผล่มาเลยศึกษาแล้วก็ไปดูไปพิจารณาเอามากํากับกับการตั้งใจภาวนาของมันของเราเพืไมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมมาและมาเล่นมาเล่นเล่นงานจิตของเราอย่าง คนคนภาษาเลยเลิกสองสองามาันอีกภาษาเ็าบอกภาษามีใครจะตั้งอกตั้งใจมากน้อยเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ทำมาได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมมามีอะไรเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงที่ทำให้เราพึงพอใจบ้างตลอดระยะพิลาที่เราทำมาอดหลับอดนอนก็อดหลับแล้วอดนอนก็อดนอนแล้วอดอาหารก็อดอาหารแล้ว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 เทียบแค้แนชีพชังมัดคอตายถึงขนาดนั้นฆ่าตัวตายถึงขนาดนั้นนั่นพิเศษขมันมหาญงบ อ, อกได้ทุกอย่า ง, งเรื่องของเกียรติยศทหารชาชาทำของพระเจ้าตั้นให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อลบเพือบเพื่อลัเพื่อเลิกการถือเนื้อถือตัวด้วยการทิฏฐิมานะในเมื่อเรารู้อยู่เรื่องของเกียรติเราไปถึงไปห่วงไปสงวนไปสนอมไว้ทําไม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 เพื่ที่แยกินเราเนี่ยอยู่ได้เป็นไปได้บริสุทธิ์พุดโธได้สมุทัยที่ ก, อกอนน่อทุกข์กอดโทษในหัวใจของเราคือว่ า, าลดไปลดไปลดไปลดไปเพราะเราเจริญสีที่เป็นมรรคมันเป็นเรื่องนําความสุขนําความเจริญมาให้มันเป็นเรื่องบัทฑรสมุทยัยรู้ในหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โรอดมากจึดในข้อเดียว